พระ้อมหาสมุทรลอยโกรธมหาสมุทรภาษาลิบุตรกนับใดส่วนคุ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาษาลิบุตรนับว่ได้เพราะหลายโพดชิด ล, ลึกจะ ก, กับจะ ก, กันกระมวัดเป็นเพราะมีหลายโพดเพราะอห ย, อหลยดลงมาเป็นหนึ่งหรือเป็นพระวิสุทธิพุทธพราะปัญญาคุ้นพราะมหากรุณาคุณก็ใหญ่โตหดถานขาบนว่างกระบาดมันใหญ่อะ ขยายออกของนจะมันขยายมันใหญ่โพดไหลโพดทัะะ้ขุนทั้งพวงในโลกมันไหลขึ้นหาคุณพุทธทั้งสองหมดคุณพุทธทั้งสองก็ไปล่วงเชี่วกันอยู่พระนิพพานประมาณเมื่อไรอีกคือกันลวกขึ้นยุกับาพุธหลูแลว้วพุธหลูพว่ขึ้นยู่กับพุธเสือแลว้วพุธเสือก็อเข้มทิดเนี่ย ไม่หลายถ้าได้กับสีไปในชิดเหนือ ต, นต่างเมือนท่างแสนต่างลานพอละเดี๋เมืองขืนของชิดเหนือชิดเหนือกับวัตถุี่ตะลานว่าเชือมคิดสีมาเมืองห้าวถ้าขมกิงในสันเนอกิ่งยงสันก็ข้นแล้วก็พูดลแล้วลรูดกิงที่ว่ามีก็แม่นคลื่นเฉียบในทางเลืกซึ่ ง, ง, งเพื่อใหำเนิดรายทางน้อมให้หลอคองวางต่าง ไรลงสู่มหาสมุทรทโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสูงคาสอนนี่ก็ศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงรอยู่ไม่มีคำวันคำคือคําสอนใดๆก็สร้างเถอะเจ้าข้างว่างเขาเล่ว่าดีกาศาสนาพุทธไปบรอด พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติเตียมภูมินิพพานสมบัติกัเตียมภูมิขันว่าทรามจามย์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ในวัดสวรรค์ในพัดพรในวัดนิพพานในวัดเตียมภูมิคือกันละมนุษย์สมบัติเตียมภูมิพื่อทามาหาอย่างชีวิตในทางที่ชอบเป็นอาบายยมุกซะขันพ่ะเป็นอบายยมุก็หาได้เมื่อละลานก็บโอโย คนเป็นนีขีเสียกันยุสเสมอเลยเพราะอบายยมุกก ะ, ะนักเลงหญิงนักเรงสุรานักเลงเรืเ่องการพา น, านันเขาคนชั่วเป็นมกียาขัาน้นทํางานในทางที่ชอบมุนิอบายามุกบัดเล่นหวยเีกก่รถหวยรัฐบาลอบายยมุกหวยไต่ดินกับอบายยมุกปีใกลกัดป่าอบายยมุกแข่งเพื่อแข่งแพ้ชิงไหน ที่เรียนเอาเงินกันเส้งา น, นอับายยมกแท่ก็มอับอายยมกุกการลวงอับอายยมกกับเป็นล่วงเสีนหาอับอยมกเป็นเสียนน้าตาเสียนหาซาโลขันมีเสียนหาบริบูบรณ์เป็นแบบสบาไปเสียเฉลียเพชรมนุษย์ไอมจ๊กเกมามีเสียนหางด ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีตำรวตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีขายขอก็ไม่ต้องเข้าสงครามก็ไม่ต้องมีการคาการแจงกันกระบอไม่ยาคบก็พอกระบ่กไม่โรคเอสกะบ่กไม่ เพรย็นดีสัพัวก็ไม่อาจะคอเพราเย็นดีนล้วมันใ่อื่นยิงอื่นไม่ขอบเขตอันนี้มันว่าไม่ขอบ เ, เขตด้กยเพราะว่ามันว่ามีอย่างอายต่อบาปทําให้โรคกระบาลคุ้มครองโรคสองอย่างรวมแล้อายต่อบาคปกลัวๆต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มคลองโรคได้ถ้าโรคมันมีอย่างอายต่อบ า, าปไม่มีคกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่ พศพวกใดๆก็ตั้งไม่อยู่พศหมู่ใดๆก็ตั้งไม่ฟังทำความผิดในที่แจ้งก็ไม่ได้เข้าไปทำในที่รับไม่ลังซ้ำในที่ทําในที่แจ้งด้วยการตังกนไม้คนหมูคนพักคนพวกของชาวโลกของชาวประเทศไม่มองดูคําสอนพรนะพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดพวกที่เขาเถื่านมีบามีบุญเขาไปรอดไหมเขาก็ไปไม่รอด ก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบเขาไปรอดไหมเขากไปไม่รอดเพราะผลของกรรมตามสนองขอจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางถูกอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางผิดเลยขอให้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางบุญอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางบาปเป็นผู้ใจถึงในทางบุญ เป็นผู้ในใจถึงในทางทำความดีแล่าเป็นผู้ใจถึงในทางความชั่วแับพุทธศาสนาสอนจงมีอิสระในทางทำดีเถิด อ, อย่ามีอิสระในทางทำชั่วเลยท่านดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทั้งชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจรักสมุนื่อเ ส, สือมากคุณตาคุณยายเอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากอายุวันโนสุขังพรังของพระนั่นเอ ง, เอง ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี่เสียงร้องเสียงร้องไห่ร้องโฮมเสียงหายกินทับปหายกินปอดเต็มโลกน่ะเสียงสาบเสียงแสงเสียงพุทโธว่าได้ยิน่ยเสียงอายุวโนสุขังมุราคภัลังลว่าอะไรเงี้ยล่ะมันมีเสียงคนป้าคนหนูคนปูคนหญ้าคนตาคนยายสวัสดีหรือไม่มันมีอยู่เฉพาะว่ามีอายุวโนสุขงังภัลังของพระแทรกแซงอยู่ มันมีอายุวัตโน่ทุกคั้งพลังของพระแสกแสงไปบางไงกินของโลกมันหนังก็กินเหม็นแต่ฝังกันบ่อพ่อบ่ท่านเผากันบ่ฟ้าฟ้าเขากันกับบ่ท่ายหน้าหอยนกข้ามเงบางก็ไม่จะสะอาดครบเติมโยกินกับอะไรมีว่าทีมลูก้มสามงเากินมาไหระพุทศาสนายังยูยังย่งยืนยง เราก็เหมือนเหมือนอยู่คงชีพด้วยเพราะพุทธศาสนาพี่นาฏลงจับหัวใจของชาวมนุษย์ชาวมนุษย์ก็อยู่ไม่ไม่ได้เหมือนวัดนุ่ยสุดทิ่นสกูลพุทธใครรานใครลุกเาวาสาวพุทธในทางลงและทางอ้อมในทางตรงและทางอ้อมผลของกรรมจะตามตามถึงอยู่ชั่วการ น, นา พ่าพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใช่กคตไม้โคตหมูใดๆก็ตั้งมาอยู่ อ, องทําไม่นําคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำคนช่วในที่แจ้งไว้ได้ก็ไปทําในที่รับมีน้ำสัามันทําในที่แจงด้วยเพราะอวดเป็นผู้ใจถึงอวดเป็นผู้ใจถึงจงอวดใจถึงในทางทําดีเถิด อ, อย่าไปอวดใจถึงในทางธรรชั่วเลยพพระพุทธเจ้าสอน จงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีถืออย่เป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยาะทำให้ใจทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจทำให้ดินฝ้าอากาศไม่ได้เราเป็นเจ้าคนนี้ทำดีก็ไปบวกรีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกช่วอยู่ที่ใจผู้เดือดรอนก็คือใจผู้ไม่เดือดรอนก็คือใจเหตุใจผลใจมีอยู่ทุกอิริยาบทของใจนึกไปทางเมตตาฝานี ผลของความเมตตาภานี้ก็มาหายใจนึกไปทำเบลเบียนผลของความเบลเบียนก็มาหายใจอาการที่กูไม่มีการไม่มีเวลาเยียบไฟในเวลาไหนก็รอดในเวลานั้นเว้นเวลาไหนก็ไม่รอดเวลานั้นโลกเป็นของทิพย์จ้ะท่านดีก็เป็นของทิพย์ทั้งหนีท่านผัวเป็นของทิพย์ท่านชัวคนเ้าท่านบุญวันเกิดทุกวัน เพราะมันเกิดยี่เทวันเนี่ยถ้าม่ได้ตายเยนี่ยก็ตายถ้าบุญมาเป็นถ้าบุญมันเกิดถ้าบุญถ้าบุญต่ออายุต่ออายุของบุญยุบบาอายุใจถ้ามาก็ต่ออายุของบาญยุไจ่ดินฝาอาการว่ามายากนําตาหูจมูกเปลี่ยนกาย มันคำว่ามายาตเอานั้มใจใจมีคุณเป็นมหารแต่ก็มีโทษเป็นอนัน์ถ้าทําดีก็มีคุณเป็นมหารถ้าทํำชั่วก็มีโทษเป็นอานันคุณก็โทษวิโยจัยใจผู้เห ต, ต, ตุขืนวิโยติฝาอตากบ า, าตตบบอส่าตบปอยตัวนัน้นืนบุญก็จตบบอสละุตัวโยโย่ผู้หญิงบุญวิโยน้ำตับบอสละุวิโนตบโยบตกปอสะอ่าอยูอ่ยห้อยใจคนนัน้นซื้อวันที่ซื้อ จริงมันยุ่งวใจกนหัวใจสัดทารายที่ทํำขืน้นพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาหิ้วนอนก็นอนก็ห่วงนอนก็นอนเองกระหายน้าก็ดื่มเองยวอาหารก็ทานเองเราจะท้ากสทำแทนไม่ได้เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นเนธนั้นจริงเขารอกทำพระพุทธเจ้าข้ามมิิด คันได้สืวอมากเนี่ยตีเห้าหันเข่าทรัพย์ใหคันได้ดีมากานี่ยแต่ให้คะแนนเข่าหันจะเป็นคะแนนดินฝาอากาศจะไงเข่าเฮ็ดดีมันจังเลยเราดีเขาเฮ็ดสัวมันจังเลยรับสั่อมจะเป็นตีผู้อืน่กนกันวไหนของใครของว่านะกุฏิเจ้าคนว่าอาเจิยอตโนนาโถตนเป็นทพึ่ของตนใจเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่นของไใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทิเียดเบียนใจกุฏิเจ้าสอนว่าเพื่อการชบาง่าย จงทั้งกิตให้การให้จงทั้งจตให้บันเทิงในการรักชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายาอย่าพอใจทางทำชั่วจงพอใจทางทำดีเถิดทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจจงพยายามเว้นซัก ความดีคนดีทําได้ง่าความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนดีทำได้ยากความชั่วคนชั่ ว, ว, วทําได้มากตรงกันข้ามโมดพูดแมลงวันกินง่ายแต่แมลงพึ่งไม่ฝันมะแรงพึ่งมะแรงพูดไม่ฝันแก้ผู้แก้ฝืง มันก็ว่าประชาธิปไตยมันโลกเขาผ้าเปลี่ยนประชาช่ชนผ้าเปลี่ยนแมงว่นมันก็ว่าประชาธิปไตยมันเท่าไหร่ถ้าเมือหลงเวียนสูงเสีตายกูบินไปต่อมดาบโคตกูกระดิกินมันก็ว่าจะาา <c oughs> แมนบกมันกถือของฝ่ายองว่นแมนบอ ข้นมีน้ถ้คนดีก็บอกคงจับคนซัวข้นมี้ถ้คนซัวบ่มีคนดีคนดีก็สืบโรคไว้ไ็่ได้ขันนี้ถ้ความสมูความสลาดก็บอกนี้ไม่ไดบปะ เพื่อข้ามทะเลลงพระพุทธศาสนาถ้ายังมีโง่อยู่จากใดก็ต้องฝึกปัญญาอยู่จากนั่นไปนยังเข้าจะอาบน้ามันสกรปรกปฏิเสธว่าไรร่างกายไปยังเข้าปฏิบัติสิ้นธรรมเพราะชี้ใจมันสกรปรกขันโลกโกรธหลงไม่อยู่การบรรเทาโลกโกรธหลงด้วยอุบายของท่านสิ้นภาวนากขาปฏิเสธว่าไร ร่างกายมันชกกระพกกินกับสิปฏิเสธอาหน้าเมื่อไรคือกันอันเดียวกันถ้าโง่ไมีอยู่ก็สิปฏิเสธฝึกปือทั้งสติปัญญาเมื่อไรคือกันเหมือนค่อมหลงมีอยู่ก็ต้องฝึกปือข้ามาหลงลงชนะความหลงด้วยความไม่หลงจงชนะความเกียดข้ามด้วยความขยันเถิด จงชนะความไม่มีสินมธรรมด้วยความมีสิเมธรรมของตนจงชนะความความชั่วของตนด้วยความดีของตนเถิดชนะก็ชนะตนเองชนะกิเลสตนเองแพ้ก็แพ้กิเลสตนเองชนะอื่นไม่มีในพระพุทธศาสนามีแตะเวนสนองเวียนไผสนองไผทีนี้เขาก็ไม่ให้พูดมากนะทาวาปิวะฮาปุราปิปุเรนทิสาสลาม เอวเมวไอโตสินังเตตาังอภัพปิมิิตังปุจิตังทงหางเจ้าบรมีวาชนิจตุแัเพืูอเรียดูสังขปายันโดกันลาโสยาาบุญิโชทีลาโสยทกาบุญิสิโยเยวัจนาสัพโรโหยนักนัตมาเทปวัตตันตรายอทุิจที่การโกโภตอภิวัชนาสีนิจจังุท้าปัญญุจตารุธระทันติ อายุวันโสุขังพระอ่ำอ่อยโคตมหาสมุทรกับวาทอบุญพระพุทธเจาเ้าเนา่ยเใดในแต่โลกทาตนับใดมัดคุณพระพุะทธธรรมประสงค์นับว่ไใดหลายโคตรสิพี่เจะน่าจะรอยปีกับว่ามัดปเป็นหยนยศนว่าในพระวิสุทธทิกุลพันปัญญาคุณมหาครุณาคุณ กะสุดปเปลี่ยนคุณพระคุณพระธรรมประงสงค์ร้ายหลายโพดแล้วไปใส่กระเมนของเพลินมัดไม่ตากโลกธาตมันทองเพิินมัดมรมอร่อยยังกินจีรตรลังรอเกยมิจติวิธางชุติรัตรังพุทธสมังนัทิตัตมาโสตทิพวันตจุเตนัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยนที่เมตต์รังมันยังชนะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี คือพุธพระธรรมพระสงค์เท่านั้นเป็นศสนะของข้าพระเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอสมาทานไว้อย่างนี้ระลึกได้ร่าไดก็ดีขอเป็นข่าเป็นธาตพระพธระธรมประสง์อยู่ตงกลางว่ามีประมาณตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานหุจากทุกในวัฏสงสารอยู่ตรงมลาอว่ามีประมาณกวาดเทินระลึกได้ว่าไดก็ดีขอถึงสึ่งพระพุธพระธรมประสงค์อยู่ตรงกลา่มีประมาณตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอยู่ตรกลางว่ามีประมาณกว่าาเทิน ลกได้ว่าเกได้กว่าดีขอเป็นข่าเป็นถาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสมมาบ่มีประมานดาวเท่าเท่าเขาโจรพายในานเมลคนทงเมนวตารทงสารจะสมมาบ่มีประมาณขอคาเถินเลกได้ว่นลกได้กว่าดีขอเอาพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์เป็นที่เพลิงเสด็จเสด็จปฏิปฏิบุตรไาจะสมมาบ่มีประมาณตามเท่าเท่าเขาโจรในานนเดืุกนวตารทงสารจะสมมามีประมาขอคาเถื่นเลกได้ว่กได้กว่าดีมนุษย์สมัติสรสมบัติพมสมบัติเจ้าามสมบัติเีเท่าไหน ที่ท er ุ่นถวายสักคนละกายว่วจ่ายใจเป็นเจบัมัดอนันหมือาบพระพุทพระธรรมพระสงฆ์โยมมาผมมีพระม่านดาวเท่าเขาชูเนี่านผลจากจุกน้ำตาลสารอยมมาผมมยประม่านราคาเถิดมันสมบัติานั้นลงทั้งเดียวว่าเปลี่ยนลงเล่าให้ทอดนอคีนอธารวิวะาปุราปิปเรนซากรลังเดยมงเยวีตเตินา เปตานังอุปการปธิยติตังปฏิตังทูมางเกปาเมวาสนิจตะทูแะเภย์ผู้เลนดูสังสปาจันโทพนารโซยถามนิโชติัาโสยถาสกีติโยเยวันตุสัโรโควินัสจตตุมาเตโพวัตรันตระโยสุขีสิการโยโคโอภิวาทานศีิจันนิจังวุทาปชายโนจักรวตมาวัทันติอยุวันนูสุขังฝลัง โดยเดยพระพุทธศาสนาอันส่งพระคุณค่าไว้มีประมาณเลยเขาส่งมาอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับเพื่อผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นอยนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้พอดีที่มาในมาในที่นี้พอดีช่างทั้งไตรโอคาช่างปรสบจกความสุขความเจริญในมววและพุทธศาสนาของพุทธศาสน์พระรพุทธเจ้ายิง่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกร้อยชอบทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทอ่ นั่งชีว้ว่าอะก็อายเ่ยนะถือหลอร้ายเนี่ยคอห ล, ลอกเยะยักษ์บผูกออางเง้ยผูกก็เลนะีกว่าถือได้ว่ามันพระเลขผู้ได้ยากถึงพระสวัสดบันยักจะไปเล่นเลขพูดสวัสดิ บ, บาลนาาาั่นนะตาเฮ็ดเครื่องตาเฮ็สูงเครื่องฝ่า เฮ็ดเคื่อกไาลเขาสู้พ ร, ระนพระน่ยงเมียความชุกความเจริญทุกส่วนหนาอยู่ทุกเมื่อพรเมียระมาณก็าขาดเถือนะหนยเด็ดขึ้พระพุณพระธรรมพระสงฆ์งกันุกอยู่ทุกเมื่อพระเมียพระมาณก็าขาดเถ่อนะเออเอาไซตหน้มูอะไรบูคาจองขาดแล้วเลกได้เพไรเลืลกได้พอดีอธิษฐานไวขข้สั่นๆที่จพาการไปงโง่ ไปในรถในเรือกับพักกันพาวนาพุทโอพุทโอหันทัมโมกับยุหันในสังโคก็ยุหันนคุณพ่อคุณแม่คุณท่านผู้มีคุณกับร่วมยิ่งนําคุณพุทโอทัมโมสังโคคุณวัดฝนในผ่านกับร่วมยุหันคุณมนุษย์สมวัตสวรรค์สมวัตพุมสมวัตอยัางนี้ไปร่วมในพ่านสรรมะกับไปร่วมยิ่นําพุทโอทัมโมสังโคกันไปรวมยุหันนะเราบอกวสันว่าท่าบุญโยสมือเมื่อไหร่บุญโยสมือเห็นตั บุคคลผู้ือพพูดผู้ทำผู้สงเป็นที่เพอถือว่ามีบุญไม่บาปผู้ใดกระแดบุญเยอะเสมอเพราะอารมณ์มันไปได้ทังบุญเมื่นถือว่ามีบุญไม่บาปผู้ใดก็ได้บาปยอะเสมอคิด่าจสัของอารมณ์มันนึงไปได้ทั้งบุม่บาปไม่มีบุญเนี่ยมันก็ได้บาปอยู่เสมอเอาแน่นมาเนี่นอเมย์อล้วนอพูนเมย์อะไรผู้ช่วยทำหม้อทักโค ขอพี่น้องไม่ความสุขความจเจริญทุกส่วนหน้าอยู่ตรืองาเนอะหายไม่ความสุขยิ่งขกันไปก็ถึงที่สุดทุกอยสอบอยู่ตรงเงาเราไม่ ม, ไมีประมาณก็าขาดเธอนะาเราช่ทยทงหมดทขอไปหลวงนะพรออมด้วยพระเพรื่อสง 1250พันองอยห้าสิบองค์มารวมกันในเวลาตะวันบ่ายที่วัดป่าเวรุวันสวนไหว้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารอั น, นเป็นที่อยู่แห่งะะเ ท, ท, ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายปรง่งงานทุสังขารก็หมายความว่าตอนนี้ไปสามเดือนเราจะไปนิพพาน ที่เมืองกุสีนาราในระหว่างนางรางทั้งคู่คือเรือนฮดเพนนั่นเองพอคงอายุสังขารแล้วแผ่นดินก็ไหวเหตุแผ่นดินไหวมีอยู่แปดอย่างลมกำเริบหนือท่านผู้มีนิธิบรรดานหนึ่งพระโพธิสัต ถือปฏิสนธิหนึ่งพระโพทิสัตว์ประสูตย์หนึ่งพระโพทิสัตว์ตัศรูหนึ่งพระโพทิสัตว์แสดงธรรมมาจากพระวัฒนาสูตรพระโพทิสัตว์ปรุงอายุสังขารพระโพทิสัตว์เข้าสู่อนุภาที่เสดสันยภาย เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวพระอานนอ์ไปนมิมนต์ให้องค์ท่านอยู่มันก็เป็นธรรมเนียมของผู้ปัญญาที่กะจะได้ประฤๅพานไม่เกินร้อยปีท่า น, นิๅพานไปแล้ว ท่านก็สอนทุกสุอาศกอาวิกาว่าอย่ามาห่วงกับเราเพราะเราไม่มีสิ่งไหนที่จะรีรับเลยได้แสดงหมดแล้วบริบูรหมดแล้วทําคางสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตราแทนท่านทางหลายท่านทางหลายอย่าประมาทจงทาประโยชน์ตน ไม่ประโยชน์ท่านฉนั้นจึงพพ้อมได้ความไม่สบามเ ถ, ถิดเรียกว่ามหาปริยพานสูตรมีอธิบายยาเหยียบมากในประสมุสมโพธในพุทธประวัติเล่มสามคำสอนของพุทธศาสนา เป็นคำสอนเหนือโลกไม่มีคำสอนใดๆจกเหนือคำสอนพระพุทธศาสนาเลยเป็นมนุษสมบัติเต็มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นพรมสมบัติเต็มภูมิเป็นนิพพานสมบัติจต็มภูมิด้วยไม่บกพรอ ถ้าทำอะไรไม่มองรู้คําสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดชาวโลกไม่มองรู้คําสอนพระพุทธศาสนาบัญญัติธรรมวไน ย, ห, ยนหรือกฎหมายแทรกแซงคําสอนหรือวดดีต่อคําสอนพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดเหมือนกันกลายเป็นไม่มีถื่อมีแปรกลายเป็นบุต ที่ไม่มีวิดาบันดากลายเป็นสิทธิ์ที่ไม่มีครูเพราะพระวจนะศาสนา้อนโลกทุกๆสมัยจึงทรงพระนามว่าโลกวิถูเป็นผู้โลช่้งโลกอนุตตรโรพลิสสะธรรมสารติฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังมือพุทธแทะจริยาสาม โลตัถจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกยาตัทจริยาทรงเป็นประโยชน์แก่ญาติพุทธทัจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ว่าพระพุทธเจ้าหรือโลตัถธจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเต็มภูมิแล้ว เรียกว่าพระพุทธศาสนาพกครองโลกทุกยกทุกสมัยจึ ง, งยืนยันทำเป็นโลกบาลกุ้งครองโลกสองอย่างนีน่ความละอายต่อบาปอดทะพะดุ้งกลัวต่อบาปถ้าทำสองประการนี้อยู่ในโลกโลกก็จะพกครองกันอยู่เย็นเป็นจุขถ้าทำสองประการนี้มีอยู่ในโลกแล้วโคตรม้โคตรหมูโคตรฟักโคตรทัก็ตั้งไม่อยู่ อูของทำให้นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยแ้คนช่วยในที่แจ้งมาได้ก็ไปทำนายที่รับถ้าไม่มียางอาต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วชิ้นห้าก็หลืนเจ้่งไปในตัวถ้าชาวโลกมี่ชิ้นห้าบอลริโูลชาวโลกก็อยู่เป็นศพทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเป้า เรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดังคดีแรงในโรงในศาลก็ไม่มีรถหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งแต่เพียงงบประมาณและค่าภาษีอากรก็พอแล้วไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งที่ปกครองโลกก็คือโลกระบบเบิดนิวเคลียร์และประมาณูหรือเอมท่านั่นเอมท่านี้หรือศาสตราอาวุธ พระุทธศาสนาะมันยินยันอย่างนั้นสอนให้ปรลดสายตาอาวุธภายนอกแล้วเอาอาวุธภายในเข้าคืออาวุธอันไม่มีเวรในภัยเข้าพกครองหัวใจหัวใจไม่มีเสียนทาพกครองหัวใจก็มีค่าสัตร์รับทรัพย์ประพฤติผิดในตามเป็นต้นโลกเอเกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากกา ม, มีชีวิตชอาจา์อันไม่มีขอบเขตพระบรมศาสตราสอนให้มีขอบเขตยินดีแต่สามีและภรรยาของตัวเท่านั้นก็มีขอบเขตตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟตัดเวรภัยหมดแล้วสิน้าก็คือ แล้วนับเวียนไพยเราดีๆนี่เองเวียนไพยอันบยาวๆที่จะนำไปสู่นรกหรือสัจจิธสฐานหรือเปลดอสุรกายพระบรมศาสตราปรดอาวุธแล้วภูมิพระโสดาบันปรดอาวุธไม่เสียดายรวงละเมิดเส้นห้าเมื่อเสียดายอยากจะถือศาสตราอื่น ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับอันไม่เสียดายอยากจะถือโลกดียามดีไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเลนเนอร์อสัตว์ที่ตัวข่าก็เป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษาการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากว่างละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายอยากว่างละเมิด นั้นก็ไม่หนักใจทำไมจึงไม่เสียดายร้องระเมิดเพราะเห็นว่ามันเป็นโทษล้วนนไม่มีคนมาเชียคนเลยนี่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมละสักตายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาไม่มีวิจิจิตรขาความสงสัยในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีชีละัตปรามา วางรูปคาในศินพพระพุทธศาสนาก็ไม่มีปิดนโยบายภูมิทั้งสี่แล้วนรกวัตถิษฐานเปรตอสุลกาตุกจําพวกมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์แต่ก็เป็นสวรรคโลกุตระไม่ใช่สวรรคโลกีแต่เมื่ออัเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์โลกุตระไม่ใช่มนุษย์โลกีด่างชาติอีกเจ็ดชาติ อย่างกลางก็เกิอดอีกสามชาติอย่างเร็วเกิอดอีกชาติเดียวเรียกว่าเอกพิเศพระโสดาบันแบบพระอานน์นั้นไม่ใช่พระโสดาบันเอกพิเศเพราะรอจำหน่งจะถึงพระอรหันต์ในชาตินั่นอยู่ไม่เรียกว่าเอกพิเศท่านผู้ใดได้กถึงพระโสดาบันแล้วเส้นลมปานไป จึงเป็นพระโสดาบาลเต็มภูมิเมื่อถึงพระโสดาบาลแล้วสามารถจะถึงพระละหันในชาตินั้นก็ไม่จัดเข้าในพระโสดาบาลที่จะเกิดแก่เจ็บตายอีกสองชาติสามชาติแเวลาพระโสดาบาลรอตาแหน่งพระละหันในชาตินั้นก็บางท่านก็ไม่ยั่งเหยื่ในพระโสดบิบาลถึงสักาค า, าคาเมนาขันยพระละหันพ ứt เลย ดอกบัวสี่เหล่าพระบรมศาราีาเทีบยบไว้ในขั้งพุทธกาลดอกบานก็บานเต็มภูมดอกตุูมก็ตูมเต็มภูมดอกเสมอหน้ามก็เสมอหน้ามเต็มภูมดอกใต้น้ําก็ใต้น้ามเต็มภูมแต่ทุกวันนี้ดอกบัวสี่เหล่าก็มีอยู่ àn, home, เหมือนกันดอกบานก็บานเต็มภูมเหมือนครูบาอาจารย์ผู้ท่านผุดไปแล้ว ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิเหมือนต้นพวกพยายามอยากจะพ่นอยู่นกเสมือนน้าก็เสมือนน้ําเต็มภูมิงั้นยังไม่ถึงโลกุตระพอพ้นริ์ตรีแล้วจึงจะถึงโลกุตระคือสุภเทปันโนเป็นต้นไปจนถึงพระอนาคามีจนถึงพระฐานส่วนใต้น้าําก็เป็นพักษาเห็นปลาแดเต่า มอบไว้ให้พระสมมาพระพุทธเจ้าภายหลังสักพระบรมศาสดามาแต่ละครัง้งละครัง้งก็มาเทพเอาได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคก็มอบไว้ให้พระสมมาพระพุทธเจ้าข้างหลังอยู่ในตัวรัทฐิใดๆดก็าตามในใจโลกท่านจำต้องมาเริ่มสายศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะสามารถสำเร็จ ทำเบื้องต้นคือสุภเทปันโนได้เช่นพระโมกคันาลาสารีบุตรเป็นต้นต้องละกาเนงมายินดีศาสนาพุทธคือพระอัสชาาิเสียก่อนจึงสามารถสําเร็จพระโสดาบันได้ออกากสนใจอนาจตบุทมาชัดขี่ข้าวสองท้าวชัดเถรสัดคลารไหวในน้าดาในดินวินในอากาศ เขาจะมาเลื่มใสพระพุทธศาสนาหมดเขาจะไปพระนิพพานหมดแต่ยังไม่มีทิวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคยุคยุกยุคยุคยุกตุทุกยุกทุคสมัยของโลกใครจะขีดขวางไว้ก็ไม่ได้ถึงข่าวก็โผขึ้นมาเองเสร้างเวมีแกะมาแล้ว บุคคลผู้จะทำลายพระพุทธศาสนาย่อมทำลายไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะพระพุทธศาสนาเหนือโลกแล้วไม่เป็นหน้าที่สังขารจะมาทำลายพระนิพพานให้แตกไม่เป็นหน้าที่ของกิเลสและสังขารจะมาเป็นเจ้าใหญ่นายโตเพื่อรังวานไม่ให้มรสีผลสีนิพพานหนึ่งของพระบรมศา ส, สดามี พระกรรมและผลของกรรมมีอยู่เบื้องหลังแล้วคดีดาคดีแดงในโรงในศาลมันจบกเกษียงเป็นกรรมและผลของกรรมจบกเกียงให้เป็นเธอจะสำคัญตัวว่าชนะสับเพียงใดก็าตามถ้าชนะในสิ่งที่ไม่ควรทำผลของกรรมก็จะตามเธอมาเหมือนกันสาลแต่สวนศาลตัดสิน ก็คือกรรมและผลของกรรมใครจะถือรับทิศใดๆก็าตามผลกรรมและผลของกรรมจะตัดสินอยู่เบื้องหลังไม่จบกระเสียงเลยเนี่นั่นพระพุทธศาสานาจริงเอามาเป็นพยานเอกเอามาเป็นดิ่งเอากรรมและผลของกรรมมาเป็นดิ่งสําหรับตัดสิน ที่โจ์จำเลยโกงกันก็ดีผู้ไต่สวนโกงก็ดีทำตามแล้วไม่ทำตามไม่เป็นปัญหาผลของกรรมตัดเฉินเองเช่งนงูกับกบอย่างนี้มันไม่รู้อีนูอีนี่มึงกินกูกูก็กินมึงมึงเวียดเวียนกูกูก็เบียดเียนเวียนมึงหนูกับแมวก็เหมือนกัน สัตว์ทั้งหลายที่รู้จักบาปบุญคนโทษหรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหากรรมและผลของกรรมตามสนองกูชีมึงทีอยู่ถ้าไม่มีผลของกรรมเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทำดีก็ดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่ดินฝ้าอากาศทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจก็คือผลของกรรมนั่นเอง ใครเป็นผู้ทำเหตุให้เกิดขึ้นก็จิตใจผลของเหตุก็คือใจจิตใจเป็นผู้เดยครับตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำดีนะจ๊วใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาย่อดไม่รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้นเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าวเลย สัร ม, มันญุตาความเป็นผู้รู้จักเตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตขันญุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเห ต, เหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเห ต, เหตุอันนี้ทาอันนี้เป็นธรรมของสุภเิปันโนเมื่อถึงสุภทิปันโนแล้วอุชุยายะสามีกิตเปิดประตูไปเองถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่หวังหลัก พระพาวรมาศาสัายืนยันพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระองค์ว่าสุบเทพโนเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นตำกว่านั้นลงมาไม่ถือเป็นเกณฑเพราะมีหลายบางทีสันทิชิกโกในทางพระพุทธศาสนาสอนเอาพระโดาบันเป็นต้นไปเป็นผู้เห็นเองพระโสดาบันเห็นเองพระชจ้าพามีเห็นเอง พระอนาคามีเห็นเองพระนหันเห็นเองเห็นจบเช่นแล้วเห็นว่าสิ่งที่มาได้ละเราก็ละมดแล้วเรอโกรธหลงเราก็ปฏิบัติเทีนโทษมดแล้วเราทิ้งหมดแล้วเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วเรียก็มาหาสันทิชิโกอส่วนสันทิชิโกเขาพระสวัดบลเป็นสันทิชิโกไม่หลงทางเลยไม่ถอยหลังด้วยไม่ปีกซ้ายปีกขวาด้วย ส่วนสัทธิสันทิที่โกในทางโลกีเอาเป็นประมาณไม่ได้ตามกราพระสุภิญโญก็เป็นโลกีคำสอนพระพุทธศาสนาไม่เป็นโลกีเป็นโลคุตระที่เอาโลกีมาผลไปก็เอาคำสอนรัฐที่อื่นมาผลไปศาสนาพุทธในมหาปฏิพนันธ์โสูตรสุพัทธ์กาพูนพระพุทธองค์มาศาสนาว่า รัตที่อื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทยันยัวิธีและข้อวัดปฏิบัติของเขาเขาจะมีสุภเทปโนุสุญายาสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าขา้าพระบรมศาสนทรงพระมรรคกรณาก่าว่นายาเลยยานเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างทำเหตนั้นเราจึงเคารพทำถ้าทำไม้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้ เหตุนั้นเราจรึงเขาลักทำนัดที่อื่นๆศาสนาอื่นไม่มีสุภเจปันโนเลยแม้ตัวของเขาก็วุฒุชนคนหนาเราดีดีนี่เองพวกเขาเป็นต้นศาสนาะเขาจะเอาสุภเจปนโนมาจากประตูไดร่ะเมื่อไม่มีสุภเจปนโนชุยยะสามีก็ไม่ต่องเอ่ยพระบรมศาสดานะเพราะเหตุใดเพราะพระเขายินดีในทางวัตถุนิยมโดยทายเดียวส่วนอุดมคติเขาก็มีราคะ โมสะโมหะจัดอยู่ตามเดิมนั่นเองไม่ใช่พ้นไปเป็นเอ ก, กเทศเหมือนพระโสดาบันเหตุนั้นเราจึงยืนยันว่าสุพเทปโนโุชญายะสายมีจิตไม่มีในรัฐที่อื่นๆเลยถ้ามีก็มีในศาสนาพุทธเก่าดีนี่เองเราพูดข้าข้างตัวต่อพูดข้าข้างรมเป็นธรรมมาเทปไตคำสอนของพุทธศาสนาเป็นธรรมมาเทปไต ไม่ใช่ราชาธิปไตยไม่ใช่อัตตาที่ปไตยไม่ใช่ประชาชนที่ประยที่นี่เขาก็ไม่ให้ร้องปลุกโครมากด้วยเดกพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อแล้วก็เนื้อโลกอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วย วาเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าที่ได้มาในที่นี่พอดีที่าในมาในที่นี่พอดีทั่งทั้งไตรโรกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวรพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอโดยด่วนในปัจจบุบรณนักก็ตปัจจบุบันธรรมโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อคืงเอาละเป็นนี่คุณก็จะกับผิดสะพัดไปที่กุศล ในการละมโนทุติยตประพฤติมโนสุริตในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกอีกอย่างหนึ่งระวังใจมาให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแทงความกำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจมาให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาระวังใจมาให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง ทีไหนพระพุทธเจ้าใหม่สอนใหม่เลยมีแต่เนื้อไม่มีกระดูกเลยเปิดดูเวลาไหนก็ไม่บูดไม่ลาเหมือนอาหารภายนอกของเราเอสัตถ์มสนันตโนพระธรรมเป็นของเก่าค้จริงแต่เมื่อเปิดดูเวลาไหนก็ใหม่ใหม่ ทำอะไรไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดพระพุทธศาสนาะเป็นแว่นดวงใจดวงธรรมของชาวโลกชาวปวงชาวโลกทําอะไรไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดปริญญาทางพระพุทธศาสนาะไม่มีเจตยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ ตีนะนะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณามหาปริญารญากำหนดรู้ด้วยการละสีงกา ร, ระศีงที่ชัว่วแต่ปริญญาของพวกเราในโลกก็ท่องเอาให้จำได้เฉยๆพอได้สอ บ, บเขาเอาตังค์ใช่ไหม <c oughs> เป็นส่วนมาก เรายาไปดื่มสุราให้เด็กเห็นเราเป็นครูไปดื่มสุราให้เขาเห็นมันก็ไม่ถูวงดื่มสุรามาแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ขะไมา้ป๊อกป๊อ ก, ป, อกป๊อกให้เขาเห็นแล้บอก <c oughs> บอกเขาเขาก็ไม่เชื่อทีนี้ชู่๊ะชู่๊ะไม่พระ นายกองนายขอไหว้พระอันตัวไม่ไหวเลยบอกเขามันก็ไม่ถูกเลยตัวก็ต้องพาเขาไหว้สิถูกไหมบอกเสร็นักเรียนตัวไม่ไหวเขาไม่ไหวสินดีมากที่พวกคุณครูมาปฏิบัติธรรมเอาหัวกระที้พวกนี้นมาปฏิบัติธรรม พ้ไปทางอื่นมันไปไม่รอดทีนี้ก็โค้งเรียกแข้งเรียกขาพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้มันไปไม่รอดใช่ไหมใครก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันนั่นเองอพระพุทธศาสนาพระบรมศ า, าสาราทท่านประสบการมาแล้วท่านจึงได้มาสั่งสอนพวกเรา ไม่ใช่พูดมากปากหลายเฉยๆทางชั่วก็ประสบการณ์มาแล้วทางดีก็ประสบการณ์มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงมาสั่งสอนพวกเราถ้าเป็นอาหารกระ่างมือแล้วกระเปิบเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่จะเอาเกลือมาเพิ่มจะเอาไปอุ่นซะมันบูดอันโต ว, วุถะไปอุ่นซักอันโตประกาศนั่น ไม่ได้หมายความยากอย่างนั้นร่างมือและกระเปิดเท่านั้นตามสติกําลังของตนใครจะเอามากมันก็ไม่หมดเป็นมันไม่เหมือนสังหารี่มาซับเอาสังหาที่มาซับวิญญาณในกระซับสักวิญญาณในกระซับภายนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะปฏิวัติมากก็ไม่หมดไปจากกัน ไม่เหมือนมัวระดกทางวัตถุนิยมไมไ่นารั่วสวนแบ่งให้กันแล้วมันหมดเป็นคำช้อนพระพุทธศาสตร์านั้นหมดไม่เป็นเลยใครจะเอามากก็ได้ทั้งนั้นต่อไปนี่ก็ให้พอนะนะชาววิวาห้าพูราพรุทธภูรเยงทีีสัาระลาดีว่ามีวมิถีโทชินังเปตานังกสศลปฏิกิจกาปฏิการทุ่มหังทีประเวีวชนิจตุ สเปภูเรนตูสังกปากันโทภนาราโยาทยะธามนุโซเทตาโยาทยะธามพีเทโยยวัชันโทสุะสุโคสุปพ ะ, ะโยสุปรโรโคยนัตสตุมาเตผวัตตอนตราโยสุขีเีคายโยโภผวะอภิวาธราสีสะนิจจังวุฒาปัจจายโยสัจการธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังภะลังด้วยเดพระพุทธศาสนาะ อันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาและก็ทรงในอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กก็พู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กคุ้มเพื่อเชื่อและไม่เชื่อและก็เนื้อลูกอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าต้องว่าทางตรโลกาต้องว่าสดแต่ความสุขความเชื่อในวาวาลพุทธศาสนาของพุทธมาสองพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนในปัจจุบันนักเกปัจจุบันนทางโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อถือไปเลย แล้วแต่สะดวกแม่แต่สะดวกของใครเข้ามานก็มาถามจจอละอย่าละยามันก็ส่งต่อพระเาลหมดถ้าทงไปถ้าสงไม่เป็นมันก็ไม่ถึงพูดโทรคำเดียวก็ส่งต่อพระเนรพลได้เมือนกันอานาปนานสติดิงก็มาถามเด่นเ่นมาได้ กิแก่เจ็บตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกโรคกดหลงก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกไม่โรคไม่กดไม่หลงก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเศรษก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอันที่ไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกพู้ทําผิดก็ทําผิดอยู่ทุกลมหายใจเขาออกผู้ไม่ทําผิดก็ไม่ทําผิดอยู่ทุกลมหายใจเขาออกดึงกรรมฐานอะไรมาได้ทั้งนั้นความเกิดความดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกคือฝ่ายทั้งคันทําฝ่ายไม่เก ไม่เอาตัวนั่นเป็นพยานเอกถ้าไม่เอาตัวนั่นเป็นพยานเอกแล้วก็ตั้งทับที่อื่นก็ียกป่ัทับแตกเหมือนว่าเชือกขาดปลิวไปตามลมเขาจะลบกันที่ไหนเขาก็ต้องค่ายตั้งค่ายลงเท่นั้นเรียกว่าค่ายแตกเรียกว่าทับแตก ต้องตั้งใหม่เรื่อยแต่พุทธคืออันนี้ตั้งมาแห่งเดียวไม่ให้แตกเลยแปดหมื่นชีพระธรรมขันธ์รวมลงที่แห่งเดียวเลยไปสมานิยนก็เป็นพระสงบัณฑิตะสมานิยนก็เป็นพระหายแต่สมานิยนเราทุกวันนี่อย่างไรไม่ทราบมีคนทุกชั่นทุกวัย ชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางเป็นพรทหารหรือเป็นพระโสดาบันพรกราชาเ น, น, นี่นาตังชั้นนั้นไม่นิยมชั้นวันลนะทำสอนของพุทธศาสนาแม่แต่อังคุริมานโจรก็เป็นหทหารทาไมอังคุริมานโจรจึงเป็นทหาพระอังคุริมานโจรไม่ได้ฆ่าวันดาพิดาและถูกเขาลวงไปถูกเขาลวงไปฆ่า ถ้าเธอฆ้าคนมาได้หนึ่งพันเี้ยวมือจะให้วิชาเคาะหัวผีท่านก็เลยไปหาข้าคนมาแต่เมื่อถูกรวงอย่างนั้นผู้ที่รวงทิตษาปโมกับลูกศิษย์ของทิศษาปโมกเป็นผู้ได้รับกรรมเพราะรวงเธอไปเธอก็ได้รับกรรมส่วนหนึ่งเหมือนกัน พื่ยังไม่ได้ฆ่าเวลารันดาเน็ตนั่นพระบรมศาสดาจึงประรัตทางคนคนนี้ถ้าเราไม่ประรัตทางเดี๋ยวจะฆ่ามันดาเวลาเพราะมันดาเวลาเขาได้ทราบข่าวว่าอังคุเรมานโกรุนแล้วเที่ยวฆ่าคนแล้วออกรัตลูกแล้วเพราะเต็งเขาจะจับลูกพอไปเห็นเวลามันดาก็ฆ่าเวลามันาเราประรัตเสีอก่อนเถิดพระบรมศาสดาประรัตแต่ก่อนทําไมจึงไม่ไปพระกรรมของคนนั้นยังไม่หมดจึงไม่ไปจึงบรรดาไม่ได้ไป กรรมของอังคุิมันโจรยังไม่หมดมองเห็ น, นววว่ากรรมยังไม่หมดเพราะกรรมคงจะหมดแ้วก็เพรนี้ก็พรบรมศาสตราไปในพระคุมไร่ไล่พระบรมศาสตราชิ้นทางดด 1, 5, 4, ส, สามโยดโยดหนึ่งห้าสี่ร้อยเส้นสามโยดสามสี่เป็นที่สองทำสองร้อยเส้น อัสองก็เช่นิเป็นสิโล์ศูนสี่สี่ิเป็นสี่สิบแปดคุมไล่พระบรมสาราไปใช่ไมเราเล่าหยุดแล้วยุดทำไมวิ่งอยู่ก็เธอรม่ยจะฆ่าเราเราก็วิ่งชิแต่เราหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเธอยังไม่หยุดผู้แก่แล้วเกิดขึ้นดาว ที้งว่าดาวกบุรมศาสตราเขาไปจับหัวเออถ้าเราไม่มาหาเธอวันนี้เธอจะไปฆ่าวิญามารดาของเธอเธอมีนิสัยจะเป็นพลัรหันอยู่เราจึงมารับขนทางเธอเอ า, าไว้ที่นี่นกบมศาสตราประเทศเอาเทศเอาเทศ เ, เ, เอาแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็มาบวชคนทั้งร้ายว่า ได้ทราบข่ า, ขาวว่าอังครีมานโจรบวดแน่มันทั้งหลายก็เลืองลือกันเขาก็กลัวนี่โยมผู้หญิงคนหนึ่งมีคันอยูรีบไปเข้าไปในที่แคบรอดรั่วเข้าไปรอดเข้าไ ป, าาไปมันไปบีบเข้าช่องของแก แ <c oughs> กก็เลยคอดบุตรออกในวันนั้น ท, ที่นนั่นเขาจึงถือว่าอังคุเรโมมารโจนศักดิ์สิทธิ์าอะไรถืออาศิระอังคุรรมารโจนแล้วเอาน้ามนอังคุริ ม, มารโจ น, น, น, มม น, โจนไปให้พวกตั้งท้องกินแล้วก็คลอดโลกง่าย กษัตระย์ยมหาเตชังตั้งไว้รับหนึ่งเน้อพระบรมสารีราะพระยกันทรพนาเมื่เราตั้งไว้รับหนึ่งพวกเราทั้งหลายจงสวดน้นะตัวห้างประชาชนญาติญาชาตัวนาปรารรมนั้นจิตจากปานชีวิตตาบูโรพีราเจ้งเสนสดที่เจ้าถูกสวดถึพระบแต่เราเป็นพนหันมานี้เราไม่นึกจะค่าสัตว์ชีวิตเลยสางคุิมาน ขอให้คันของน้องรงสวัสดีมีใัยถืดท่านอธิษฐานอย่างนั้นแต่เราเป็นพระเรี่ยเจ้ามานี่ไม่ได้ค่าสับตับชีวิตเลยทีนี้ต่อ น, นั่นมาเขาก็เลยไปตั้งมันเป็นมันยัดวันต้นแต่นี่ต่อไปขอให้พระองค์ยา นำโจรมาบวชเถอดเดี๋ยวแม่าเขาเลยมา น, น, นำโจรมาบวชมันเป็นต้นบัญญัตินะเาะไรสิไปไปอ่านหน้าดิ